คือของทิทยกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคำว่าที่เขาบริจาคแก่บุคคลคือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แก่บุคคลไม่ใช่แกส่สงไม่ใช่แก่คณะคำว่าที่ขอมาเองคือขอมาแล้วเองคำว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าให้แลกเปลี่ยนปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายจ่ะจงไว้ต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ให้แลกเปลี่ยนของนั้น เป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีพึงสละของที่เป็นนิสกีอย่างนี้